ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา ท่านฟังที่เคารพค่ะเรามาพบกันอีกนะคะกับรายการสันสนีสนทนาติดตามรับฟังกันเป็นประจำได้ที่นี่นะคะสถานีวิทยุ f m ฟเอครอบครัวข่าวสถานีวิทยุที่มีครบทุกอย่างให้ท่านได้ฟังกันทุกรถเลยนะคะอย่างมีชีวิตชีวาด้วยอีกต่างหากดิฉันเอง ยังมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะที่ได้นำเอารายการนี้ไปอาอกาการให้ท่านฟังกันด้วยถึง154สถานีพอพูดถึงเรื่องของรายการวิทยุหรือว่าโทรทัศน์ที่เป็นสื่อเนี่ยวันนี้ดิฉันได้เห็นโฆษณาในหนังสือมติชนนะคะเขากำลังจะมีกิจกรรมคุยกับสื่อโดยเอาเรื่องของธรรมะเนี่ยเข้าไปผนวกด้วยบังเอิญไม่ได้ตัดมานะคะรู้แต่ว่าเขาเขียน โดยประมาณว่าท่านเพื่อทาตเนี่ยเหมือนกับเคยกล่าวว่าสื่อมวลชนเนี่ยสามารถจะเป็นปูชนียบุคคลได้แล้วก็จะมีหัวข้อถามประมาณว่าจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจว่าความตั้งใจของผู้ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยคงหวังสื่อให้เป็นเครื่องมือในการช่วยกันสร้างสรรค์สรรติสุขให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับบ้านเมืองเราซึ่งวันนี้ บางคนก็เลยปฏิเสธในการที่จะเสพสื่อนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันมักจะมีเรื่องเครียดๆมาให้อยู่เสมอนั้นก็อนุโมทนาในสิ่งที่เขากําลังจะทํากันนะคะส่วนเรื่องที่ดิฉันสนใจอันนี้ก็ได้มาจากสื่ออีกเหมือนกันอ่านหนังสือมาติชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณที่ใช้ชื่อว่าชนนภาอนุกูลที่อยู่ส่วนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพมูลนิธิสดสีสิริวงเนี่ยนะคะได้เขียนบทความชื่อกําแพงในใจ เป็นบทความค่อนข้างยาวดิฉันรวบรัดเลยก็นละกันว่าเขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับกำแพงที่จริงๆแล้วทั่วไปเนี่ยสร้างมาเพื่อความปลอดภัยแต่กำแพงเบอร์ลินเนี่ยสร้างมาแล้วแบ่งแยกความเป็นพี่เป็นน้องสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีคนปีนหนีจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตรวมกันแล้วถึงสองร้อยหกคนกว่าที่เขาจะ ให้ญาติพี่น้องที่ถูกกำแพงกั้น28ปีได้มีโอกาสพบเห็นกันอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อปี2532ที่ผ่านมาแม้ว่ากำแพงเบอร์ลินจะล่มสลายไปแล้วกำแพงอีกหลายแห่งกลับกำลังถูกสร้างขึ้นโดยยกตัวอย่างกำแพงเหยียดเชื้อชาติที่อิสราเอลสร้างนะคะแล้วก็กำแพงเมืองจีนในเม็กซิโกในส่วนถัดมาก็ตั้งข้อสังเกตว่าปกติแล้วกำแพงควรจะมีหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนที่อยู่ภายในแต่กําแพงที่ยกตัวอย่างไป น, นั้นน่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งแยกผู้คนด้วยความแตกต่างทางความคิดความเชื่อด้วยชาติพันธุ์ด้วยความระแวงด้วยความเกลียดความกลัวกําแพงหนึ่งกักขังผู้คนของตนกําแพงหนึ่งกักขังผู้คนของชาติหนึ่งกําแพงหนึ่งกั้นความทุกข์ยากของเพื่อนบ้านออกไปพ้นจากความรับรู้ของตนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่า ริตรศักราช2010แล้วนะคะกำลังจะเข้าสู่2010แล้วเรากำลังสำรวจดาวอื่นกำลังจะมีเทคโนโลยี 3G ที่เขาบอกว่าเหมือนกับประตูไปสู่อะไรสรพัดอย่างนะนะคะยังยังจะสร้างกำแพงอย่างนี้หรือคุณชนภาถามไว้บอกว่าแท้จริงแล้วกำแพงเหล่านี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนของกำแพงภายในใจของผู้คนความหวาดกลัว ความไม่ไว้วางใจในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและก็มาถึงตอนที่บอกว่ากระทั่งเขตแดนระหว่างประเทศก็มักจะมีกำแพงที่มองไม่เห็นปรากฏอยู่เสมออวิชาและมิจฉาทิฏฐิในประวัติศาสตร์ที่ยกย่องวีรบุรุษสงครามย่อมนำไปสู่อคติทางวัฒนธรรมและก่อร่างสร้างกำแพงแห่งความยโสทนงตนคลางแคลงในความเป็นมนุษย์ของประเทศเพื่อนบ้านน่าสนใจว่าหลังการล่มสลายของเบอร์ลินซิ่งยุคสงครามเย็นกว่า40ปี เยอรมันเดินหน้าเต็มตัวในการเป็นผู้นำที่จะรวมตัวสหภาพยุโรปสารฝันเก่าเมื่อ200ปีก่อนของนักคิดที่ยิ่งใหญ่ในอดีต น, น, นะคะแล้วก็เกิดผลประโยชน์มหาศาลจากการรวมยุโรปเพราะว่าชนชั้นนำของประเทศผู้นำนะคะอย่างฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนรบกันมาก่อนก็ยังเห็นตรงกันว่าสันติภาพของยุโรปเนี่ยยิ่งใหญ่ เกินกว่ามหิฐานุภาพของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของโลกาพิวัตรที่พลเมืองของประเทศหนึ่งย่อมกลายเป็นพ ล, ลโลกด้วยการร่วมมือของมนุษยชาติเพื่อความอยู่รอดบนโลกใบนี้มีความจำเป็นเด่นชัดขึ้นนะคะแล้วก็มาในช่วงสุดท้ายก็สรุปว่าการพูดว่ารักโลกหรือรักธรรมชาตินั้นง่ายกว่ารักเพื่อนบ้านการพูดว่ารักเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันก็ง่ายกว่ารัก เพื่อนร่วมประเทศที่มีความเห็นแตกต่างจากตนหากเราไม่ยอมสํารวจตรวจตรากําแพงภายในใจไม่ยอมมองเห็นว่านักการเมืองอีกพักหนึ่งไม่ได้โง่หรือคิดผิดไปทุกเรื่องเพียงเพราะเขาหรือเธอคิดเชื่อหรือแตกต่างไปจากเราเราย่อมมองไม่เห็นว่าคนที่ใส่เสื้อต่างสีก็มีความรู้สึกขออภัยค่ะมีความรู้คิดและมีเหตุผล ไม่ต่างไปจากเราเราย่อมมองไม่เห็นท้องฟ้าแห่งสันติภาพและภาราดรภาพอันกว้างใหญ่ที่จะปรากฏในรุ่นลกูกรุ่นหลานที่ยังไม่ได้เกิดมากำแพงภายในที่กั้นกลางวิวัฒนาการแห่งความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงจําเป็นต้องทลายลงมาเขา อ, อ่านยา้ำอีกครั้งนะคะกำแพงภายในที่กั้นกลางวิวัฒนาการแห่งความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงจําเป็นต้องทลายลงมาท่านฝั่งฟังแล้วรู้สึกอย่างไร แต่ฉันก็เริ่มต้นรายการสยาวเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาไปพบพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนค่ะ สวัสดีครับผมพิษณุนอ็มกลาดวันนี้ผมมาแนะนําทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับแค่ฝากสลากอสิ่งพิเศษชมหมาอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคณก็มีสิทธิ์ลุนโดเบนถึง10บคันฟังไม่ผิดหรอกครับรุนเบ้นเดือนละครสองเดือนสุดท้ายลุ้นเดือนละ3าคันรวด<อ>แถมลุนในวันที่1นึ่รวมยีล้านบาททุกเดือนฝากครบกําหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนลุนรดเบ้นก่อนถึงสามสิบในสายนี้นะโทรเลยหนึ่ห้า ชันฟังคา้านี่เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าถามโลกตอบธรรมคื อ, เ, อเรื่องที่พบที่เห็นบนโลกใบนี้มีทั้งเรื่องวุ่นวายความทุกข์ความสุขเนี่ยนะคะเอามาตั้งเป็นประเด็นที่จะให้พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโ น, โนนะคะได้ น, น้องงมนำเอาทำวินัยจากพระโอษฐ์มาเพื่อที่จะให้เราได้ประเด็นธรรมจากสิ่งที่เราพบค่ะน้ัสการคะท่านคะจะ่าเตยบอลค่ะ มีิสร้างกำแพงสูงใหญ่อย่างนี้เนี่ยเรามาคิดว่าน่าจะสร้างคูร้อมรอบด้วยแล้วก็สร้างทางเดิมเป็นกำแพงให้สูงให้กว้างด้วยจะได้เห็นชัดเลยพระเจ้าให้สร้างกำแพงคือกำแพงเนี่ยเปรียบเสมือนปัญญาค่ะพระเจ้าบอกว่าในเปรียบเทียบไปในปัจจตันนครของพระราชาเนี่ยมีกำแพงทั้งสูงและกว้างสมบูรณ์ด้วยการก่อและการฉาบ เพื่อคุ้มภายในภายในเพื่อป้องกันภัยในภายนอกเพราะฉะนั้นก็คือว่าเปรียบเสมือนกำแพงอันนี้คือปัญญาค่ะปัญญาที่จะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเห็นการตั้งขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้ของธรรมต่างๆอันนี้เป็นกำแพงที่พระเจ้าให้สร้างในใจเอส่วนนอกจากนี้ที่จะมายังกล่าวว่ายังจะมีอคูร้อมรอบทั้งลึกและกว้างคูอันเนี้ยพระเจ้าเปรียบเทียบคือฮีริคือความ กลัวต่อบาอืมคือการละกายทุจริตประจีทุจริตและมโนทุจริตสามอย่างซึ่งสามอย่างนี้จะเป็นอาหารของอวิชาอย่างในตัวอย่างของบทความที่บุญยมติวได้กล่าวเมื่อตอนต้นน ะ, ะเขาพูดถึงอวิชาอยู่ถ้าเราป้องกันสามอย่างนี้อวิชาก็ไม่เจริญพระเจ้าให้สร้างครัวนี้เป็นกับดักของความทุจริตทั้งสามอย่างย้า้มันเข้ามาในจิต คนอกจากสร้างครูสร้างกำแพงแล้วเนี่ยยังให้สร้างเชิญเทินเดินรอบไว้ให้ทั้งสูงทั้งกว้างค่ะพระเจ้าบอกว่าเชิงเทินเดินรอบเนี่ยคืออตับปะคือความกลัวต่อการจูบลงโทษหลังจากทำบาปแล้วอ่าก็คือความสะดุ้งกลัวต่อความทุจริตทั้งสามอย่างค่ะแต่สังเกตได้ว่าถ้าเรามีฮีรีมีโอตับปะมีปัญญาเนี่ยอ่า กิเลสมันก็เข้าไม่ได้เข้ามาในจิตเราไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้สร้างแล้วก็การที่มีฮิริโอตะปาะเนี่ยเป็นการป้องกันกิเลสที่จะเข้ามานอกจากนี้เราต้องมีนายทวารเฝ้าด้วยเฝ้าประตูวไว้เฝ้ากำแพงไว้พระเจ้าบอกว่าให้มีนายทวารเนี่ยคือสติเป็นคนคอยป้องกันไม่ให้คนคนไม่รู้จักไม่ให้เข้าคนรู้จักให้เข้า อะไรใครที่ไม่รู้จักก็คือพวกอักขุนดำทั้งหลายอย่าให้มันเข้ามานี่คือกำแพงที่พระเจ้าให้สร้างชงกระแท้อย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันค่ะคืออันนี้จะเป็นการให้ท่านฟังได้ทราบว่าพระพุทธองค์เองเนี่ยก็เคยได้ตรัสเรื่องกำแพงเป็นอุปมาไว้ที่สามารถจะทำให้พวกเราเนี่ยเอาไปใช้เป็นกำแพงในการกั้นในสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ให้เกิดคืออักุุลต่าง ตรงนี้ว่าถ้าเรามีกําแพงอยู่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนการใช้งานของกําแพงก็ได้แต่ามาคิดว่าถ้าเรามีกําแพงในใจที่ว่าเป็นอุปสรรคในการทําความดีหรือว่าทําให้แบ่งแยกบุคคลเนี่ยต้อ เ, เปลี่ยนความคิดไิดเดียวจ่มาเปลี่ยนกำแพงตรงนี้มาใช้ให้มีทิฏฐิที่ถูกต้องทํำยังไงให้มีสมาธิทิฏฐิตัวเองพูดดีคิดดีทดําดีมีเมตตาใจมีความเมตตาเฟื่องเฟื่อแผ่แค่นี้กำแพงในใจของเราก็จะเป็นกำแพงที่ป้อง ก, กันกิเลสได้แล้ว เป็นปัญญาที่เห็นการเกิดขึ้นในการตั้งอยู่ไม่ได้ของธรรมต่างๆคือเท่ากับว่าถ้าเอาทางธรรมเข้าไปจับเนี่ยในส่วนของอประเด็นสรุปทิ้งท้ายของท่านผู้เขียนที่บอกว่ากำแพงภายในที่กั้นกลางวิวัฒนาการแห่งความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงจำเป็นต้องทลายลงมานะคะาสามารถที่จะใช้วิธีเปลี่ย น, <ใ>นความ ค, คิดเปลี่ยนการใช้งานของกำแพงให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาได้ ค่ะนอกจากนี้พระรูญายังเปรียบเทียบถึงองค์ประกอบต่างๆของเมืองในการป้องกันเมืองเมืองคือจิตของเราเนี่ยนอกจากมีกำแพงมีคูมีทางเดินแล้วเนี่ยยังมีเสาไว้สําหรับขึงสําหรับยึดเชือกอะไรต่างๆก็คือเปรียบด้วยศรัทธายังจะมีถึงอกองพลที่ไว้ประจําการในการป้องกันเมืองอแล้วก็คือเปรียบเทียบถึงทรงสุดาสังสมสุดะคือ ข้อความที่เป็นพุทธวจนะเป็นสถาโคตรศีลให้มีความคล่องปากขึ้นใจแล้วก็พูดถึงความเพียรต้องมีวิิรยะความเพียรคือมีกองพลเป็นนันมากมีกาลังเยอะอันนี้เป็นการพยายามที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์และให้ทราบว่าสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้ใช่ใชแก้ปัญหาได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยคือมันเหมือนกับถ้าพูดภาษาทางธรรม อาจจะเป็นอย่างนี้ไหมคะว่าเราจะต้องกำแพงในใจเนี่ยถ้าเอาแบบให้เข้าใจใง่ายๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราอย่าสร้างกำแพงของเราขึ้นมาเองอย่าตั้งกำแพงไม่ให้คนเข้ามา mm hmm. คือบางทีเนี่ยบางทีเราไปคิดไว้ก่อนเลยคะ่ะเราก็ตั้งกำแพงเพื่อที่เอออันนี้เป็นคนอื่นพวกอื่น mm hmm. นะอันนี้เป็นพวกเรากำแพงพวกนี้ไม่มีประโยชน์ แต่แต่ควรที่จะที่จะใช้ธรรมะในส่วนที่บอกว่าอะไรนะคะศรัทธาเอ่อกําแพงก็คือปัญญาค่ะกําแพงคือปัญญาป้อง ก, กันกิเลสและแถว่าต้องมีคนเฝ้าด้วยคือสติเป็นคนเฝ้าให้เข้าขคนที่รู้จักไม่ให้เข้าขคนไม่รู้จักก็คือให้เข้าสฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลถ้าเรามีความคิดแบ่งแย่มีการพูดที่เอาความข้างนี้ไปบอกคนข้างนู้นื่อให้ใจแต่สายโน้อนอย่างนี้นะคือเป็น การ พ, พูดสอดเสียการพูดยุยงให้แตกกันเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลรมให้ละเสียะอะย่าให้มันเข้ามาใช้กำแพงแบบนี้แล้วกำแพงในใจเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของอที่จับต้องไม่ได้ถูกไหม<ะ>มันเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนหได้แทนถ้าเราจะมีกำแพงในใจเนี่ยให้เอาไปป้องกันกิเลสดีกว่าให้เอาไปให้เห็นการเกิดขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆให้ใช่อย่างเนี้ย<ะ>ก็จะเกิดประโยชน์ ทำแพลงนี้ก็จะเกิดประโยชน์มันพอมันเกิดประโยชน์กับตัวเองซะแล้วเนี่ยมันก็สามารถเกิดประโยชน์กับคนอื่นอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าอาจารย์คะเดี๋ยวฉันเองไดอ้อ่านประวัติของคนที่เป็นผู้บริหารบริษัทที่ทําธุรกิจบันเทิงใหญ่ในประเทศไทยคือคุณภัยบูลดํารงชยัยธรรมแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานของท่านเนี่ยนะคะที่ได้ร่วมลงเรือลําเดียวกันคือออกจากงานเก่า มาร่วมกันก่อตั้งบริษัทด้วยกันเนี่ยอก็พูดบอกว่าในวันนั้นเนี่ยก็มาด้วยความมันก็ตัดสินใจว่าต้องมาแต่ว่าจะใจเป้วยังไงหรือเปล่าไม่ทราบรู้แต่ว่าเขาบอกว่าคุณไผ่บุ์เนี่ยได้พูดว่าถ้าเราลงเรือลําเดียวกันนะถ้าเกิดเรือเป็นอะไรไปเนี่ยอย่าดึงผมนะให้แยกย้ายกันไปก่อนแล้วถ้าอ่าเรือหลักเนี่ยสามารถที่จะมั่นคงได้แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ในลักษณะเดียวกันเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินถ้าใครเคยสังเกตตอนแรกๆเราอาจจะงงนะคะถ้ามีลกูกมีเด็กขึ้นไปด้วยเนี่ยให้ใช้เข็มขัดนิรภั ย, ยกับตัวเองก่อน uh. แล้วค่อยไปจัดการให้เด็กอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่ า, เ, าเราก็มีความสึขจริงๆแล้วเราควรจะดูแล เ, เด็กก่อนไม่ใช่หรือ uh. นี่เข้าทางของคำสอนของพระพุทธองค์ไหมคะในเรื่องเกี่ยวกับพึ่งตนอย่างเงี้ยคะ่ะ บระจาจะเวลาพระพุทจ้าตรัส จ, จะตรัสเป็นลําดับก็คือว่าให้ทําประโยชน์ตนอ่าหมายความว่าให้เห็นประโยชน์ตนก่อนแล้วเห็นประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็เห็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพร้อมกันเออถ้าจะเราดูตามลําดับของการพูดของของการตรัสของพระพุทธญาภาพก็ <Little> คือว่าเริ่มที่ตนก่อนแล้วก็ดูแลผู้อื่นแล้วก็ทั้งสองส่วนพร้อมกันอ๋อค่ะเพราะนั้นก็มันก็จะมีในยะ ที่ว่าเออเขาพอสอดคล้องกันอยู่บ้างเวลาพระพุทธเจ้าหวังให้ดูแลตนเนี่ยการดูแลตัวเองเพื่อดูแลตัวเองด้วยเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยเนี่ยก็คือดูแลตัวเองด้วยการเส็บธรรมะทาให้มากซึ่งธรรมะแล้วก็จเจริญธรรมะค่ะนี่เขาเรียกว่าเป็นการดูแลตัวเองการดูแลตัวเองแบบเนี้ยเรียกว่าเป็นการรักษาผู้อื่นไปในตัวด้วยมันรักษาผู้อื่นยังไงล<ร>่ะคะก็เพราะว่าถ้าเราเจ็บธรรมะทําให้มากซึ่งมาธรรมะเจริญธรรมะเนี่ยความเบี่ยงเบนไม่มี ทำไมจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเวลาเราจะรักษาผู้อื่นเนี่ยให้รักษาด้วยวิธีนี้คือรักษาด้วยเมตตาจิตรักษาด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยการรักใคร่เอ็นดูการรักษาด้วยสี่วิธีเนี้ยก็ชื่อว่าเป็นการรักษาตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเราจะไม่มีอากุศลจิตเกิดขึ้นเข้าไปค่ะให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วไงนะคะท่านให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักไข้เอนโดด้วยเมตตาจิตแล้วก็ด้วยการไม่เปลี่ยนเบี่ยนเนี่ยสมมุติพ่อแม่จะอ่าจะสั่งสอนลูกหรือครูอาจารย์จะสั่งสอนลูกศิษย์หรือว่าเราต้องการจะอ่ารักษาคนอื่นด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ยให้ใช้ีวิธีนี้ด้วยการอดทนด้วยการรักไข้เอนดูด้วยเมตตาจิตค่ะด้วยการเลือกเสื้อเผื่อแผ่นนี้เป็นอันดับอันดับของการดูแลผู้อื่นใช่การรักษาผู้อื่นแบบเนี้ยก็คือว่าเป็นการรักษาตน ค่ะคือเหมือนกับว่าเกื่อกุลซึ่งกันและกันวิธีการสองวิธีนี้ใ ช, ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเรารู้จักรักษาวารสิทิ์ของเราแล้วเนี่ยเราจะช่วยผู้อื่นได้ค่ะเพราะวารสิทธิ์ของเราเนี่ยถ้าเป็นสิทธที่มีเมตตาเป็นกุศลไม่เบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไปกับผู้อื่นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกป่เป็นผู้มีสติพระชาชนบอกว่าผู้ที่ทําอย่างเนี้เป็นผู้เพียนเผากิเลสอยู่นองนิดเป็นผู้ที่เรียกว่ า, อ, าอยู่ในฌานการเผากิเลส ค่ะเราก็จะไม่มีการที่จะไปเบียดเบียนเขา้าไปทําให้เขาเดือดร้อนเพราะว่าเรารักษาตัวของเราซะแล้ ว, ลวจน ก, กระทั่งเรามีความเอื้อเฟื้อรักใคร่เอนดูเมตตาจิตผู้ที่เป็นอย่างนี้คือผู้ที่มีกําแพงคือในเมืองก็คือกําแพงที่ป้องกันกิเลสอย่างนี้โอไม่ต้องไปสร้างกําแพงพวกนั้นอ่าก็เอากําแพงมาใช้ในการป้องกันกิเลสจ้ะค่ะแต่มีกําแพงแล้วเป็นกําแพงที่ไม่ได้มีความหมายว่าเป็นกําแพง กระกั้นให้เกรดทางกันแต่เป็นกำแพงที่เป็นกำแพงที่ป้องกันเราเพือที่จะให้เราดูแลตัวเราเองให้ดีไม่ไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่น เ, เท่ากับเป็นการดูแลคนอื่นด้วยสรุป อ, อย่างนี้ได้ไหมคะท่านในการรักษาทั้งสองฝ่ายต้างั้นเถอะกำแพงนี่จะรักษาทั้งสองฝ่ายแล้วเป็นกำแพงพิเศษใช่ไหมคะไม่ต้องใช้อิฐอย่างกำแพงเบอร์ลินเขาบอกว่ามันสูงสาเมตรกว่า แ, แล้วบอกว่ากำแพงที่ ทางรัฐสภาอเมริกันมีมติแต่เมื่อปี2549ให้กัน้นระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสูงตั้ง8เมตรค่ะท่าน8เมตรนี่มันตึก2ชั้นชั้นครึ่งก็พอแล้ว <c oughs> แล้วมันก็ไม่ใช่กำแพงที่หน้าที่จะช่วยให้เกิดความรักสามัคคีท่านคะอีกอันหนึ่งนะเวลาพอมีอจากประเด็นข่าวที่ พูดถึงเรื่องเล่านะคะเล่าเล่าไม่ใช่เรื่องเล่านิทานนะคะเรื่องสุราค่ะบอกว่าอกําลังจะมีการแปะบังคับให้ติดใต้ว่าสุราหน่ากลัวอย่างไรเหมือนกับที่เราเห็นว่าสูบุรีแล้วเป็นยังไงบนซองบุรีนะคะเห็นแล้วก็เกิดแบบโหทําหน้าตายเยเกแล้วนี่โหปอดคุณสูบุรีเลยนี่ยทำไมมันหน้าเกลียดอย่างนี้อ่าทีนี้มันก็เกิดคําถามเงินขึ้นมา ว, ว่า ขนาดให้ใช้ครึ่งหนึ่งของสลากเลยนะคะ oh. ก็มีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพวกที่เห็นด้วยก็มีความรู้สึกว่ามันจะช่วยทาให้คนเนี่ยเตือนสติคนอะ่ะไม่ให้ดื่มเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี mm. แต่พวกที่ไม่เห็นด้วยเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะ mm. เขาก็เลยมีการทำโพกันทางรายการข่าวเช็ค mm. ดูแล้วปรากฏว่าคำถามที่บอกว่า mm. เห็นว่าการทำอย่างนี้ จะทําให้คนดื่มเหล้าน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงไหมไม่เห็นด้วยตั้ง75็ด้าเปอร์เซ็นลยนะคะนั่นผูหลีกเขาเป็นยังไงเขาเขาลดลงไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาบอกถ้าเราทําเนี่ยประเทศเราจะเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะที่ทำํำเห็นด้วยกับการต้องเตือนนะคะแต่ดิฉันขอฝากเอาไว้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้านอาจารย์จะได้ไม่ต้องพลอยเดือดร้อนด้วย <laughs> ถ้าเกิดเขาฟังแล้วรู้สึกไม่ดีก็คือเห็นว่า เอามัน ก, นกลางๆดีกว่ า, าแล้วดิวฉันคิดว่าพอดีพอดีเนี่ยดีที่สุดทางสายกลางของพุทธเจ้าเนี่ยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่าทางภาครัฐเนี่ยก็จะต้องช่วยทําให้คนเห็นว่ามันไม่ดีอย่างไรในอีกหลายๆ ล, ลักษณะด้วยพระมาเคยมีผูป้ปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้มาหลีกเลนหรือว่าลูกศิษย์กสางต่างๆของหลวงพ่อก็ดีเนี่ยเขาพอมาปฏิบัติธรรมม า, มากขึ้นเนี่ย ไอความอยากดื่มสุราความอยากไปสถานที่อโครจรสมารเทมาลเนี่ยมันลดลงไปโดยอัตโนมัติอันนี้เห็นเป็นประจักษ์เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาแก้ด้วยวิธีนี้ดีกว่าไหมก็คือว่าไม่ต้องเสียงว่าประมาณในการทําโฆษณาอะไรด้วยแล้วก็ให้เขามาปฏิบัติธรรมให้เขามาได้เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่มันเหนือกว่าการไปกินเหล้าเนี่ยมันก็จะโดยอัตโนมัติคนก็จะไม่กินไปเองเแล้วทีนี้สมมุตินะคะสมมุติเกิดเนี่ยคนดื่มเหล้าเป็นประจําเลย พอถึงตอนเย็นๆไปปฏิบัติธรรมอยู่มันชักแหมสักแก้วกคดีนะจะได้เพลินๆอย่างเงี้ยคะท่านคะจะจะทํายังไงดีคะก็เขาคก็ค่อยๆทําไปอันนี้พระพุทธาบอกว่าความหัดใจในธรรมะวินัยนี้ยเป็นเปรียบเสมือนกับไหลทะเลคือมันจะค่อยๆลดลดลดลงไปไม่ได้ลึกแบบเป็นเหวชันลงไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความอยากเล่าก็จะค่อยๆลดไปความอยากปฏิบัติธรรมก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมามันก็จะเป็นช่วงที่ระหว่างอยู่ในการจับเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องพา อำนวยความให้เขาบ้างอย่างเงี้ยนะสำหรับสีนข้อห้าของอพุทธศาสนาเรื่องดื่มเหล้าเนี่ยให้งดหรือให้เวน้นกระนั้นพระเจ้าบอกว่าให้ เ, เรียกว่างดจากการดื่มสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทให้เว้นขาดจากการทำอย่างี้เพราะฉะนั้นการดื่มสุราเมรัยที่ทําให้เกิดความประมาทการดื่มแบบนั้นเนี่ยให้เวน้นค่ะก็หมดเวลาอีกแล้วอนระนั้นคะ่ะพอได้ เขาเรกว่ากำลังอยากจะไปต่อเนี่ยเวลาหมดทุกทีเลยลองไว้ <c oughs> ติดตามใหม่ในวันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังที่กําลังหนาค้างใจอยากฟังธรรมะแนวนี้ต่ออีกก็ในะมรสการของพระคุณพร ะ, พราะอาจารย์พัยบุตอภิปุณโญในโอกาสนี้นะคะมรดกคะ่ะสาธุประภวันถามโลกตอบธรรมท่านฟังคะท่านกําลังฟังรายการสรนสนีสนทนา ต่อนี้ขอเชิญฟังพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ตรัสเล่าถึงมุรพชาติหรือว่าชาติก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่หลายชาติมากนะคะเรื่องที่จะอ่านให้ฟังต่อไปเป็นครั้งที่มีพระชาติเป็นโชติปานมานพตรัสแก่พระอานนท์ค่ะว่าอานนท์แม น, นิคมเวภะลิข์มีช่างหม่อชื่อคติการะเป็นอุปถาอันเลิดของพระผู้มีพระภาคกัสปะนั้นคติการะมีสหายรักชื่อโชติปาระ ในครั้งนั้นคติการะเรียกโชติปาลมานพผู้สหายมาแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละมาเราไปด้วยกันเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสปะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงเห็นพร้อมกันว่าดีโชติปาละก็บุกยาเลยเพื่อนคติการะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโลนคติการะก็ยังชวนอีกนะคะ แล้วก็ถูกโชติปาระเนี่ยโต้อย่างที่โต้เมื่อสักครู่นี้ถึงสามครั้งพอพูดยังไม่ทันจบดีก็เลยบอกว่าอาไปอาบน้ำกันดีกว่าระหว่างที่อาบน้ำคติการะก็ได้กล่าวกับโชติปาระชวนไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งคติการะนี่ก็ยังใจแข็งนะคะมีการโต้กันอีกถึงสามครั้งพูดดีๆไม่ฟังคติการะอยาให้เพื่อนไปหาพระพุทธเจ้ามาก ก็เลยเหนี่ยวโชติปาระมานพที่ชายภพทางด้านของโชติปาระก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องไตพบสมณะหัวโล้นคติการะก็เลยทีนี้เหนี่ยวมวยผมเลยเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะเขาบอกว่าคติการะเนี่ยเป็นช่างหม้อมีชาติอันต่ําเป็นเหนี่ยวมวยผมของคนที่อยู่ในชั้นแบบโชติปาระเนี่ยเห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสแล้วก็เลยถามว่าเพื่อนคติการะ จะเอาเป็นเอาตายกันเชลหรือคติการะก็บอกว่าเอาเป็นเอาตายกันทีเดียวเพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการดีจริงตอนนี้โชติปาระใจอ่อนนะคะก็บอกว่าเพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้นจงปล่อยเราจากไปด้วยกันพระพุทธโธตรัสต่อนะคะว่าอานนนลำดับนั้นคติการะและโชติปารมานพได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถึงที่ประทับ คติการะผู้เดียวถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรส่วนโชติปาลามานพได้ทําความคุ้นเคยชื่นชมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะคติการะได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะว่าพระองค์ผู้เจริญนี่คือโชติปารมานพสหายรักของข้าพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมแก่เขาเถิดอานนท์พระผู้มีพระภาคกัสปะ ได้ทำให้คติการะและโชติปาระเห็นจริงถือเอาอาจหาและร่าเริงเป็นอย่างดีด้วยทำมิกถาแล้วทั้งสงคนเพลิดเพลินปราโมทต่อพาสิทธ์ของพระองค์บันเทิงจิตลุกจากอาสนะและถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจึงหลีกไปในลมดับนั้นนะคะโชติปาระที่ตอนแรกมายากมาเย็นก็หันกลับไปถามคติการะคนที่ตื้อชวนมาบอกว่าเพื่อนคติกะการะ เพือนก็ฟังธรรมนี้อยู่ทำไมยังไม่บวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ด้วยเรือนเล่าคติการะตอบว่าเพื่อนไม่เห็นหรือฉันต้องเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่และตาบอดอยู่โชติปาระบอกถ้าเช่นนั้นฉันจกบวชออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละพระพุทธองค์เล่าต่อนะคะว่าอาโนนครั้งนั้นเขาทั้งสองได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสปะอีกคติการะกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญ โชติปาลสหายรักของข้าพระพุทธเจ้านี่แลประสงค์จะบวชขอพระองค์จงบวชให้เขาเถิดอานน์โชติปาลมานพได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักแห่งพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วราวเกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคกัสสปะก็เสด็จจาริกไปยังเมืองพาราณสีอานน์ความคิดอาจมีกับเธอว่าคนอื่นต่างหากที่เป็นโชติปาลมานพในสมัยโน้อนอานน์ เธอไม่ควรคิดไปอย่างนั้นเรานี่เองเป็นโชติปาลมานพแล้วในสมัยโน้นในสมัยโน้นคือหมายถึงสมัยของพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าพระมหากดสปักนะคะแล้วก็ได้บวชในคราวครั้งนั้นด้วยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของพุทธประวัติในชาติก่อนคะ่ะยังมีพระชาติอื่นๆอีกนะคะติดตามรับฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้ท่านที่อยากได้นังสือนะคะ ท่าอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัประพง์ลำลูกกาคลอง1ิก็ยังเมตต า, าที่จะแจกให้ในวันละ5ท่านเช่นเคยติดต่อกันมานะคะที่สถานีวิทยุ FM106 02-269-0060 และ 02-269-0006 นี้นะคะสวัสดีคะ่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิธีแห่งการหลุดพ้นได้ในสันสนีสนทนา